หนึี่โลคิยะทุกกะหนึ่งปฏิจจวาระหนึ่งปฏิญานุโลมหนึ่งวิพังขวาระเหตุปัจจัยร้อยสามสิบสาสภาวธรรมที่เป็นโลคิยะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นโลกิยะ เ, เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามและจิตตสมุทานรูปอาศัยขันธ์หนึ่งที่เป็นโลกิยะเกิดขึ้นละถึงอาศัยขันธ์สองในปฏิสนธิขณะ พาไทยวัตุอาศัยขันเกิดขึ้นขันอาศัยหาไทยวัตุเกิดขึ้นอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งจิตสตสมุทฐานรูปและกระตัตรารูปที่เป็นโอปาไทยรูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นร้อยสามสิบสี่สภาวธรรมที่เป็นโลกุตระอาศัยสภาวธรรมที่เป็นโลกุตระเกิดขึ้นเพราะเหตุตก ป, ปจัจใจได้แก่ขันสามอาศัยขันหนึ่งที่เป็นโลกุตระเกิดขึ้นละถึงอาศัยขันสอง <necessary. S 2> สภาวธรรมที่เป็นโลกียะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นโลกุตระเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่จิตตะสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์ที่เป็นโลกุตระเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นโลกียะและที่เป็นโลกุตระอาศัยสภาวธรรมที่เป็นโลกุตระเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามและจิตตะสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์หนึ่งที่เป็นโลกุตระเกิดขึ้นละถึงอาศัยขันธ์สอง สภาวธรรมที่เป็นโลกคียอาศัยสภาวธรรมที่เป็นโลเคียและเป็นโลกุตระเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่จิตตสมุฐานรูปอาศัยขันธ์ที่เป็นโลคุตระและอาศัยมหาภูต ร, รูปเกิดขึ้นยอ่อหนึ่งปัจจญานุโลมสองสังขยาวาระสุทไนร้อยสามสิบห้าเหตุปัจจัยมีห้าวาระอารมณ์ปัจจัยมีสองวาระ อธิปติปัจัยมีห้าวาระอันันตระปัจัยมีสองวาระสมณันตระปัจัยมีสองวาระสะชาตะปัจัยมีห้าวาระอัญญมัญญปัจัยมีสองวาระนิสยาปัจัยมีห้าวาระอุปนิสยาปัจัยมีสองวาระเรชาตะปัจัยมีสองวาระอเศวณปัจัยมีสองวาระกรรมปัจัยมีห้าวาระวิปากปัจัจมีห้าวาระ อาหารปัจจัยมีห้าวาระอิณตรีปัจจัยมีห้าวาระชานะปัจจัยมีห้าวาระมรคปัจจัยมีห้าวาระสัมปยุตตะปัจจัยมีสองวาระวิปยุตตะปัจจัยมีห้าวาระอติปัจจัยมีห้าวาระนัติปัจจัยมีสองวาระวิคตะปัจจัยมีสองวาระอวิคตะปัจจัยมีห้าวาระอนุโลมจบสองปัจจะปัจนิยะ หวิพังขวาระนาเหตุกปัจใจร้อยส36สภาวธรรมที่เป็นโลคิยะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นโลคิยะเกิดขึ้นเพราะนาเหตุกปัจจัยได้แก่ขันสามและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันหนึ่งที่ไม่มีเหตุซึ่งเป็นโลคิยะเกิดขึ้นละถึงอาศัยขันสองในปฏิสนธ่ขณะที่เป็นนาเหตุกะพิงเพิ่มข้อความจนถึงอาศัยสัตตพรม โมหะที่โสหรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่โสหรคตด้วยอุทจฉาอาศัยขันที่โสหรโคด้วยวิจิกิจฉาและที่โสหรคตด้วยอุทจฉาเกิดขึ้นยอ่อสองปั จ, จยะปัจญจิยะสองสังคยาวาระสุทไนร้อยสาสิบเจ็ดนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนอารรมณปัจจัยมีสามวาระนอธิปติปัจจัยมีสองวาระ ณอนันตระปัจจัยมีสามวาระณสมนันตรปัจจัยมีสามวาระณอัญญามัญญปัจจัยมีสามวาระณอุปนิสัยปัจจัยมีสามวาระณปุเรชาติปัจจัยมีสี่วาระณปัจฉาชาตปัจจัยมีห้าวาระณอเสวณปัจจัยมีห้าวาระในสุดทนายที่เป็นโลคุตระซึ่งมีณอเสวณปัจจัยเป็นมูลพื่อนกำหนดว่าเป็นวิบาก ที่เหลือเป็นไปตามปกตินั่ <ทำ S 1> นเองนกรรมปัจจัยมีสองวาระนวิปากปัจจัยมีหวาระนอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระนอินทรียปัจจัยมีหนึ่งวาระนัชานะปัจจัยมีหนึ่งวาระนักมัคคะปัจจัยมีหนึ่งวาระนสัมปยุตตปัจจัยมีสวาระนวิปยุตตปัจจัยมีสองวาระโนนัติปัจจัยมีสวาระโนวิคตาปัจจัยมีสวาระ ปัจจญยะจบสปัจจญานุโลมปัจจญยะเหตุทุกข์ในร้อยสามสิบณอารมณ์ปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระณอธิปติปัจจัยมีสองวาระบทที่มีณอนันตระปัจจัยเป็นต้นเหมือนกับปัจจญยะณวิปากับปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีห้าวาระณสัมำยุตตปัจจัยมีสามวาระ นวิปยุตตปัจจัยมีสองวาระโนนัติปัจจัยมีสามวาระโนวิคตะปัจจัยมีสามวาระอนุโลมะปัจจนิยะจบสปัจญิยะปัจญิยานุโลมนเหตุทุกข์ในร้อยสามสิบเก้าอารมณปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอันันตระปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระ ปัจญจญาณุโลมจบสหชาตวาระเหมือนกับปฏิจจวาระสิบสองโลกิยทุกะสามปัจญยวาระหนึ่งปัจญจานุโลมหนึ่งวิพังควาระ เหตุตกปัจใจร้อยสี่สิบสภาวธรรมที่เป็นโลกิยะทำสภาวธรรมที่เป็นโลกิยะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุตกปัจจัยได้แก่ทำขันหนึ่งที่เป็นโลคิยะละถึงทำมหาภูตรูปหนึ่งจิตตสมุทานรูปและกระตัตารูปที่เป็นอุปาทัยรูปทำมหาภูตรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันที่เป็นโลกิยะทำหาไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น สภาวธรรมที่เป็นโลกุตระทำสภาวธรรมที่เป็นโลกิยะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่เป็นโลกุตระธรรมะทัทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นโลกิยาและที่เป็นโลกุตระทำสภาวธรรมที่เป็นโลกิยาให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่เป็นโลกุตระธรรมะทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นจิตตสมุทฐานรูปธรรมะหาภูตรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น ร้อสภาวธรรมที่เป็นโลกุตระทำสภาวธรรมที่เป็นโลกุตระให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นโลกียะทำสภาวธรรมที่เป็นโลกียะและที่เป็นโลกุตระให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปทำขันธ์ที่เป็นโลกุตระและทำมหาภูตรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นโลกุตระ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 และธรรมไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นและถึงทำขันสองจิตาสมุทฐานรูปทำขันที่เป็นโลกุตระและธรรมหาภูต ร, รูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นย่อหนึ่งปัจจยานุโลมสองสังขยาวาระสุทไนร้อยสี่เหตุ ป, ปัจจัยมีห้าวาระอารมณะปัจจัยมีสี่วาระอาทิตติ ป, ปัจจัยมีห้าวาระ อนันตรปัจจัยมีสี่วาระสมนันตระปัจจัยมีสีวาระสหชาติปัจจัยมีเ้าวาระอรญยมรญตปัจจัยมีสีวาระนิสยาปัจจัยมีเ้าวาระอุปนิสยปัจจัยมีสีวาระปุเรชาติปัจจัยมีสีวาระหาเสวนปัจจัยมีสีวาระกรมมปัจจัยมีเ้าวาระวิปากาปปจใจมีเก้าวาระละถึง มัคคับปัจจัยมีเก้าวาระสัมยุตตปัจจัยมีสี่วาระวิบยุตตปัจจัยมีเก้าวาระอธิปัจจ enfin ัยมีเก้าวาระนัตถิปัจจัยมีสี่วาระวิคตะปัจจัยมีสี่วาระอวิคตะปัจจัยมีเก้าวาระอนุโลมจบสองปัจจยะปัจจะเนยะหนึ่งวิพังขวาระนเหตุตุปปัจจัยร้อยสี่สิบสาม สภาวธรรมที่เป็นโลคิยะทำสภาวธรรมที่เป็นโลคิยะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนะเหตุตกปัจจัยได้แก่ทำขันหนึ่งที่ไม่มีเหตุซึ่งเป็นโลคิยะพึงเพิ่มข้อความจนถึงอสัญญาสัตตพรมจะขวิญญาณทำจักขายตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นกายวิญญาณทำกายายตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันที่ไม่มีเหตุซึ่งเป็นโลคิยะทำภทายวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น โมหะที่สหรควด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรควด้วยอุทจจะทำขันที่สหรควด้วยวิจิกิจฉาที่สหรคตด้วยอุทจจะและธรรมทาทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นยอ่อสองปัจจะยปัจญิยะสองสังคยาวาระสุทไนร้อยสี่สิบสี่นเหตุตุปปัจจัยมีหนึ่งวาระนอารรมณะปัจจัยมีสามวาระนัธิปติ ป, ปัจใจมีสี่วาระ นอนันตระปัจจัยมีสามวาระละถึงนอุปาณิสยปัจจัยมีสามวาระนาบุเรชาตาปัจจัยมีสี่วาระนปัจฉาชาตาปัจจัยมีเ้าวาระนาอ세วนปัจจัยมีเ้าวาระโล ก, กุตระและอรูปพึงกําหนดว่าเป็นวิบากนกรรมปัจจัยมีสี่วาระนวิปากปัจจัยมีเ้าวาระนอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระ นอินทรียะปัจจัยมีหนึ่งวาระณาานาปัจจัยมีหนึ่งวาระนมะข้าปัจจัยมีหนึ่งวาระณสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระณวิปยุตตปัจจัยมีสองวาระโนนะธ so UM ิปัจจัยมีสามวาระโนวิขตาปัจจัยมีสามวาระปัจญิยะจบ 3. ปัจจญานุโลมปัจญิยะเหตุทุกขในร้อยสี่ิห้า ณอารมณ์ปัจจัยกระเพาะกปัจจัยมีสามวาระณอธิปติปัจจัยมีสี่วาระณอนันตรปัจจัยมีสามวาระบทที่มีณสมณันตระบทเป็นต้นเหมือนกับปัจจนิยะณวิปากปัจจัยกระเพตุปัจจัยในเ้าวาระณสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระณวิปยุตตะปัจจัยมีสองวาระณโนนัติปัจจัยมีสามวาระณโนวิคตาปัจจัยมีสามวาระ อนุโลมปัจญญาจบสปัจญญาปั จ, จนญานุโลมนเหตุทุกขในร้อยสี่สิบหกอารมณ์ปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอนันตระปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีหนึ่งวาระปัจจญานุโลมจบนิสยาวาระเหมือนกับปัจญญาวาระ โลกิยาทุกกะหสังสัทธวะระหนึ่งปัจจญานุโลมหนึ่งวิพังคาวาระเหตุปัจจัยร้อยสี่สิบเจ็ดสภาวธรรมที่เป็นโลกิยาเกิดรกรกับสภาวธรรมที่เป็นโลกิยาเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันสามเกิดรกรกับขันหนึ่งที่เป็นโลกิยาและถึงเกิดรกรกับขันสองในปฏิสนธิขณะสภาวธรรมที่เป็นโลกิยา เกิดรคร ก, กับสภาวะธรรมที่เป็นโลกุตระเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันสามเกิดรคนกับขันหนึ่งที่เป็นโลกุตระและถึงเกิดรคนกับขันสองพึงขยายสังจัตถาวาระให้พิจารณาอย่างนี้พร้อมทั้งการนับมีสองวาระสัมปยุตตะวาระเหมือนฝับสังสัตถาวาระ 12. โลกิยะทุกกะ 7. ปัญหาวาระ 1. ปัจญานุโลม S 1. วิพังควาระเหตุปัจจัยร4 8สภาวธรรมที่เป no er ็นโลกียเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นโลกียโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่เป็นโลกียเป็นปัจจัยแก่สัมพยุตตคันและจิตตาสมุทฐานรูปโดยเหตุปัจจัยในปฏิสนธิขณะสภาวธรรมที่เป็นโลกุตระเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นโลกุตระโดยเหตุปัจจัยมีสามวาระ อารมณปัจใจร้อยสี่สสภาวธรรมที่เป็นโลกีะ้ะเป็นปั จ, จัยแก่สภาวธรรมที่เป็นโลกีะ้ะโดยอารมณปั จ, จัยได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถแล้วพิจารณากุศล น, นั้นพิจารณากุศลที่เคยสั่งสมไม่ดีแล้วออกจากฌานพระอริยพิจารณาโคตรภูพิจารณาวาทานพิจารณากิเลีิละได้แล้ว พิจารณากิเลสที่ข่มได้แล้วรู้กิเลสที่เคยเกิดขึ้นบุคคลเห็นแจ้งจากสุ Hathayatuka ขันธ์ที่เป็นโลกีะโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงโทมนต์จึงเกิดขึ้นบุคคลเห็นรูปด้วยที่ประจักษขุฟังเสียงด้วยที่ประสงค์ธาตุรู้จิตของบุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยจิตที่เป็นโลกีะด้วยเจโตปริยญาณอากาสานัญจายตนะเป็นปัจจัยแก่วิญญาณเนจายตนะ อากินจัญญายตนะเป็นปัจจัยแก่เนวสัญญาณาสัญญายตนะรูปายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขวิญญาณผูถภายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณขันที่เป็นโลเกียเป็นปัจจัยแก่อิทิวิทยานเจโตปริยญาณปุเพนิวาสานุสติญาณยถากรรมูปัคขญาณอนาคตังสยานและอวชนะจิตโดยอรมณปัจจัยร้อยห้าสิบ สภาวธรรมที่เป็นโลกุตระเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นโลกุตระโดยอรมณะปัจจัยได้แก่นิพพานเป็นปัจจัยแก่มรรคและผลโดยอรมณะปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นโลคุตระเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นโลกียะโดยอรมณะปัจจัยได้แก่พระอริยะออกจากมรรคแล้วพิจารณามรรคพิจารณาผลพิจารณานิพพานนิพพานเป็นปัจจัยแก่โคตรภูโวทานและอวัชนะจิต โดยอารมณ์ปัจจัยพระอริยะรู้จิตของบุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยจิตที่เป็นโลกุตระด้วยเจโตปริยญาณขันธ์ที่เป็นโลกุตระเป็นปัจจัยแก่เจโตปริยญาณบุเพนิวาสานสุสติญาณอนัาคาตังสยานและอาวัชนะจิตโดยอรมณปจจป์ปัจจัยอธิปติปัจจัย151สภาวะธรรมที่เป็นโลกียะเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นโลกียะ โดยอธิปติปัจจัยมีสองอย่างคืออารมนาธิปติและสหชาตาธิปติอารมนาธิปติได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีล ร, รักษาอุโบสถแล้วละถึงพิจารณากุศลที่เคยสั่งสมไม่ดีแล้วออกจากฌานแล้วพระเสขะพิจารณาโพตรภูให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นพิจารณาโวทานให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นบุคคลยินดีเพลิดเพลินจากสุขภัยวัตถุ ที่เป็นโลกิยะให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทําความยินดีเพลิดเพลินจากสุขเป็นต้นนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นสาชาตาธิปติได้แก่อธิปติธรรมที่เป็นโลกิยะเป็นปัจจัยแก่สัมพยุตตะขันและจิตตสโมทานรูปโดยอธปิปฏิปัจจัย152สภาวธรรมที่เป็นโลกุตระเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นโลกุตระ โดยที่ปฏิปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณนาธิปฏิและสหชาตาธิปติอารมณนาทิปฏิได้แก่นิพานเป็นปัจจัยแก่มรรคและผลโดยธิปฏิปัจจัยสหชาตาทิปฏิได้แก่อธิปฎีธรรมที่เป็นโลกุตระเป็นปัจจัยแก่สัมพยุตขันโดยธิปฏิปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นโลกุตระเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นโลกียะโดยอธิปติปัจจัยมีสองอย่าง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 โดยทิปฏิปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นโลกุตระเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นโลกียะและที่เป็นโลกุตระโดยทิปฏิปัจจัยมีอย่างเดียวคือสหชาตาทิปฏิได้แก่อธิปดีธรรมที่เป็นโลกุตระเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตคขันและจิตตสมุทานรูปโดยทิปฏิปัจัจอนันตรัปัจจัย153สภาวธรรมที่เป็นโลกยะ เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นโลกียะโดยอนันตระปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่เป็นโลกียะซึ่งเกิดก่อนๆเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นโลกียะซึ่งเกิดหลังๆและถึงอนุโลมเป็นปัจจัยแก่โคตรภูอนุโลมเป็นปัจจัยแก่โวทานโดยอนันตระปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นโลกียะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นโลคุตระโดยอนันตระปัจจัยได้แก่โคตรภูเป็นปัจจัยแก่มรร ววทานเป็นปัจจัยแก่มรรคอนุโลมเป็นปัจจัยแก่พราสมา์บัตในวาสัญญานาสัญญายตนะของท่านผู้ออกจากนิโรธเป็นปัจจัยแก่พราสมาบัตโดยอนันตรัปัจใจร้อยห้าสิบสี่สภาวธรรมที่เป็นโลกุตระเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นโลกุตระโดยอนันตรัปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่เป็นโลก <c debate, S 2> ุตระซึ่งเกิดปั่นก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นโลกุตระซึ่งเกิดหลังหลัง โดยอนันตราปัจจัยมรรคเป็นปัจจัยแก่ผลผลเป็นปัจจัยแก่ผลโดยอนันตราปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นโลกุตระเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นโลกียะโดยนันตราปัจจัยได้แก่ผลเป็นปัจจัยแก่วุฒานะโดยนันตรปัจจัยสมณันตระปัจจัยเป็นต้นร้อยห้าสิบห้าสภาวธรรมที่เป็นโลกียะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นโลกียะโดยสมณันตระปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหาชาติปัจจัยมีห้าวาระไม่มีคัตนาเป็นปัจจัยโดยอัญญมัญญปัจจัยมีสองวาระเป็นปัจจัยโดยนิสยปัจจัยมีเจดวาระอุปนิสยาป จ, จัยร้อยห้าสิบกสภาวธรรมที่เป็นโลกีะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นโลกีะโดยอุปนิสยาป จ, จัยมีสามอย่าง คืออารามนูปานิสยอาอนันตารูปานิสยาและปะกาตูปานิสยาปะกาตูปานิสยะได้แก่บุคคลอาศัยศรัทธาที่เป็นโลคิยะแล้วให้ทานละถึงทำวิปัสนาให้เกิดขึ้นธรรมภิญญาให้เกิดขึ้นทำสมาบัติให้เกิดขึ้นมีมา n ะเธอทิฏฐิอาศัยศีลที่เป็นโลกิยะเสนาสนะแล้วให้ทานละถึงทำลายสง์ศรัทธาที่เป็นโลคิยะ เสนนาสนะเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่เป็นโลกียะทุกทางกายโดยอุปาณิสยปัจจัยกรรมที่เป็นกุศลและอกุศลเป็นปัจจัยแก่วิบากโดยอุปาณิสยปัจจัยสภาวะธรรมที่เป็นโลกียะเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นโลคุตระโดยอุปาณิสยปัจจัยมีสองอย่างคืออนันตารูปานิสยและปะกะตูปานิสยาปะกะตูปานิสยาได้แก่บริกรรมปฐมมรรคเป็นปัจจัยแก่ปฐมมรรค โดยอุปาณิสยาปัจจัยบริกรรมเจตุทมักเป็นปัจจัยแก่เจตุทมักโดยอุปาณิสยาปัจจัยห้าสเจสภาวะธรรมที่เป็นโลกุตระเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นโลกุตระโดยอุปาณิสยาปัจจัยมีสามอย่างคืออราเมนูปาณิสยาอนันตารูปาณิสยาและปะกะตูปาณิสยาปะกะตูปาณิสยาได้แก่ปฐมมักเป็นปัจจัยแก่ทุติยมัก โดยอุปาณิสยปัจจัยตติยมรักเป็นปัจจัยแก่จัตุธรรมรัคโดยอุปาณิสยปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นโลกุตระเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นโลกียะโดยอุปาณิสยปัจจัยมีสามอย่างคืออรัมณูปัณิสยาอันันตรูปัณิสยาและปกะตูปัณิสยาปกะตูปัณิสยาได้แก่พระอริยะอาศัยมรักแล้วทำสมาบัติที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นเข้าสมาบัติที่เกิดขึ้นแล้ว เห็นแจ้งสังขารโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นนันตามรรคของพระอริยะมรรคของพระอริยะเหล่านั้นเป็นปัจจัยแก่ความเป็นผู้ฉลาดในฐานะและไม่ใช่ฐานะโดยอุปาินสยปัจจัยพภะสมาบัตเป็นปัจจัยแก่สุขทางกายโดยอุปาินสยปัจจัยปุเรชาตปัจจัยร้อยห้าสบแ สภาวธรรมที่เป็นโลกียเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นโลกียโดยปุเรชาติปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณะปุเรชาตะและวัตถุปุเรชาตะอารมณะปุเรชาตะได้แก่บุคคลเห็นแจ้งจากสุหาไทยวัตถุโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาโทมนัสจึงเกิดขึ้นบุคคลเห็นรูปด้วยที่ประจักษ์ผูกฟังเสียงด้วยที่ประโสธธาตรุรูปายะตนะ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 โดยปเรชาตะปัจจัยมีอย่างเดียวคือวัตถุปเรชาตะได้แก่หากทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันที่เป็นโลกุตระโดยปเรชาตะปัจจัยปัจฉาชาตะปัจจัยร้อห้าสภาวธรรมที่เป็นโลกีะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นโลกีะโดยปัจฉาชาตะปัจจัยได้แก่ขันที่เป็นโลกีะซึ่งเกิดภายหลังเป็นปัจจัยแก่สาวนี้ที่เกิดก่อนโดยปัจฉาชาตะปัจจัย สภาวธรรมที่เป็นโลกุตระเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นโลกียะโดยปัจฉาชาติปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่เป็นโลกุตระซึ่งเกิดภายหลังเป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อนโดยปัจฉาชาติปัจจัยอาเสวณปัจจัยร้อหสสภาวธรรมที่เป็นโลกียะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นโลกียะโดยอาเสวณปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่เป็นโลกียะซึ่งเกิดตอนก่อน เป็นป ia, ัจเจกแก่ขันที่เ <wurde> ป <iente> <ton nichts> <tr una pickup improved> ็นโลกิยะซึ่งเกิดหลังๆโดยอาเสวณปัจจัยอนุโลมเป็นปัจเจกแก่โคตรภูอนุโลมเป็นปัจเจกแก่โวทานโดยอาเสวณปัจจัยสภาวะธรรมที่เป็นโลกิยะเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นโลภุตระโดยอาเสวณปัจจัยได้แก่โคตรภูเป็นปัจจัยแก่มรรคโวทานเป็นปัจจัยแก่มรรคโดยอาเสวณปัจจัยกรรมะปัจจัย 1>, 1สภาวธรรมที่เป็นโลกีะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นโลกีะโดยกรมมปัจจัยมีสองอย่างคือสหาชาตะและนานาคณิกะสหาชาตะได้แก่เจตนาที่เป็นโลกีะเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขันและจิตตสมุทฐานรูปโดยกรรมปัจจัยในปฏิสนธิขณะนานาคณิกะได้แก่เจตนาที่เป็นโลกีะเป็นปัจจัยแก่ขันที่เป็นวิบาก และกตัดตารูปโดยกรรมปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นโลภุตระเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นโลกุต ร, ร ะ, ะ, รร โ, ระโดยกรมมปัจจัยมีสองอย่างคือสหาชาตะและนานาคณิกะสหาชาตะได้แก่เจตนาที่เป็นโลกุตระเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขนันโดยกรมมปัจจัยนานาคณิกะได้แก่เจตนาที่เป็นโลกุตระเป็นปัจจัยแก่ขันที่เป็นวิบากโดยกรรมปัปจจัย สภาวธรรมที่เป็นโลกุตระเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นโลกียะโดยกรรมปัจจัยได้แก่เจตนาที่เป็นโลกุตระเป็นปัจจัยแก่จิตตะสมุทฐานรูปโดยกรรมปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นโลกุตระเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นโลกียะและที่เป็นโลกุตระโดยกรรมปัจจัยได้แก่เจตนาที่เป็นโลกุตระเป็นปัจจัยแก่สัมบุญตขันและจิตตสมุทฐานรูปโดยกรรมปัจจัย วิปากับปัจจัยร้อสภาวธรรมที่เป็นโลกิยะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นโลกิยะโดยวิปากับปัจจัยได้แก่ขันธ์หนึ่งที่เป็นวิบากซึ่งเป็นโลคิยะเป็นปัจจัยแก่ขันธ์สามและจิตตสมุทฐานรูปโดยวิปากับปัจจัยละถึงขันธ์สองในปฏิสนธิขณะสภาวธรรมที่เป็นโลคุตระเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นโลกุตระ โดยวิปากับปัจจัยมีสามวาระอาหารรับปัจจัยร้อหกสาสภาวธรรมที่เป็นโลกีะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นโลกีะโดยอาหารปัจจัยได้แก่อาหารที่เป็นโลกีะเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขันและจิตตสมุทานรูปโดยอาหารรับปัจจัยในปฏิสนธิขณะเกลิงกราหารเป็นปัจจัยแก่กายนี้โดยอาหารับปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นโลกุตระ เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เ mm. ป็นโลกุตระโดยอาหารปัจจัยมีสามวาระอินทริยปัจจัย164หสภาวธรรมที่เป็นโลกิยะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นโลกิยะโดยอินทริยปัจจัยพึ่เพิ่มปฏิสนธิจากขุนรีเป็นปัจจัยแก่จากขวิญญาณกายินรีเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณโดยอินทรียปัจจัย รูปปัจจวิตินีเป็นปัจจัยแก่ขตตารูปโดยอินทรียปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นโลกุตระเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นโลกุตระโดยอินทรียปัจจัยมีสามวาระชานะปัจจัยเป็นต้นร <iny and five fingers> well ้อหกสสภาวธรรมที่เป็นโลกิยาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นโลกิยาโดยชานะปัจจัยมีหนึ่งวาระสภาวธรรมที่เป็นโลกุตระมีสามวาระ เป็นปัจจัยโดยมรรคปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นโลกีะมีหนึ่งวาระสภาวธรรมที่เป็นโลกุตระมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นโลกีะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นโลกีะโดยสัมปยุตตปัจจัยมีหนึ่งวาระสภาวธรรมที่เป็นโลกุตระมีหนึ่งวาระวิปยุตตปัจจัยร้อหกสสภาวธรรมที่เป็นโลกีะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นโลกีะโดยวิปยุตตปัจจัย มีสามอย่างเคยสหาชาตะาปุเรชาตะและปัจฉาชาตะสหาชาตตาได้แก่ขันที่เป็นโลกียะเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปโดยวิบิยุตตปัจจัยในปฏิสนธิขณนะขันเป็นปัจปจัยแก่หาไทยวัตถุโดยวิบยุตตปัจจัยหาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันโดยวิบิยุตปัจจัยปุเรชาตะได้แก่จักขายาตนะเป็นปัจจัยแก่จักขูวิญ ญ, ญาณ กายยตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณหาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นโลกียะโดยวิปยุตตะปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่ขันธ์ที่เป็นโลกียะเป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อนโดยวิปยุตตปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นโลกียะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นโลกุตระโดยวิปยุตตปัจจัยมีอย่างเดียวเคปุเรชาตะได้แก่หาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นโลกุตระ โดยวิบิยุตตปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นโลกุตระเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นโลกียะโดยวิบิยุตตปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปัจฉาชาตะสหชาตะได้แก่ขันธ์ที่เป็นโลกุตระเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปโดยวิบิยุตตาปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่ขันธ์ที่เป็นโลกุตระเป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อนโดยวิบิยุตตปัจจัยอธิปัจจัยเป็นต้น ร้อยหสบเจ็ดสภาวธรรมที่เป็นโลกิยะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นโลคิยะโดยอัธิปัจจัยมีห้าอย่างคือสหชาตะปุเรชาตะปัจฉาชาติมหาระและอินทรียาสหชาตะได้แก่ขันหนึ่งที่เป็นโลกิยะเป็นปัจจัยแก่ขันสามและจิตตะสมุทานรูปพึงเพิ่มข้อความจนถึงอสัญญาสัตยพรมปุเรชาตะได้แก่ บุคคลเห็นแจ้งจากสุขหาไทยวัตถุปัจจัยนี้เหมือนกับปุเรชาตะปัจใจหาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันที่เป็นโลกียะโดยอธิปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่ขันที่เป็นโลกียะเป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อนโดยอธิปัจจัยเหลิงกระหานเป็นปัจจัยแก่กายนี้โดยอธิปัจจัยรูปชีวิตินทรีย์เป็นปัจจัยแก่คตาตารูปโดยอธิปัจจัย สภาวธรรมที่เป็นโลกิยะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นโลกุตระโดยอัิปัจจัยมีอย่างเดียวคือบุเรชาตะได้แก่มหาทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นโลกุตระโดยอัติปัจจัยร้อหกสสภาวธรรมที่เป็นโลกุตระเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นโลกุตระโดยอัิปัจจัยได้แก่ขันธ์หนึ่งที่เป็นโลกุตระ ai. เ, เป็นปัจจัยแก่ขันธ์สามโดยอธติปัจจัย และถึงขันธ์สองสภาวธรรมที่เป็นโลกุตระเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นโลกียะโดยอธิปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปัจฉาชาตะสหชาตะได้แก่ขันธ์ที่เป็นโลกุตระเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปโดยอธิปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่ขันธ์ที่เป็นโลกุตระเป็นปัจจัยแก่กายนิที่เกิดก่อนโดยอธิปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นโลกุตระ เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นโลกียะและที่เป็นโลกุตระโดยอธิปัจจัยได้แก่ขันธ์หนึ่งที่เป็นโลกุตระเป็นปัจจัยแก่ขันธ์สามและจิตตะสมุทฐานรูปโดยอธิปัจจัยและถึงขันธ์สองรหกสสภาวธรรมที่เป็นโลกียะและที่เป็นโลกุตระเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นโลกียะโดยอธิปัจจัยมีสอย่างคือชหชาตะปัจฉาชาตะ อาหาระและ and อินทรีย์สหชาตะได้แก่ขันธ์ที่เป็นโลกุตระและมหาภูตรูปเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทานรูปโดยอธิปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่ขันธ์ที่เป็นโลกุตระและโกลิงคาราหานเป็นปัจจัยแก่กายนี้โดยอธิปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่ขันธ์ที่เป็นโลกุตระและรูปปัจจิวิตินซีเป็นปัจจัยแก่กระดดตารูปโดยอธิปัจจัย สภาวธรรมที่เป็นโลกียะและที่เป็นโลกุตระเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นโลกุตระโดยอธิปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปุเรชาติสหชาตะได้แก่ขันธ์หนึ่งที่เป็นโลกุตระและหัททยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์สามโดยอธิปัจจัยละถึงขันธ์สองเป็นปัจจัยโดยนติปัจจัยเป็นปัจจัยโดยวิคตะปะจัจจัยเป็นปัจจัยโดยอวิคตะปัจจัย หปัจจญานุโลม 2. ส, สังคยาวาระสุทไนร้อยเจ็เหตุปัจจัยมีสี่วาระอริมณปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยมีสี่วาระอนันรรตรปัจจัยมีสี่วาระสมนันตระปัจจัยมีสี่วาระสังฆาตปัจจัยมีหวาระอัญญมัญญปัจจัยมีสองวาระนิสยปัจจัยมีเจวาระ ปุปณิสยาปัจใจมีสี่วาระปุเรชาตปัจจัยมีสองวาระปัจฉาชาตตปัจจัยมีสองวาระอาเสวนปัจจัยมีสองวาระระมะปัจใจมีสี่วาระวิปากปัจใจมีสี่วาระอาหารปัจใจมีสี่วาระอินทริยปัจใจมีสี่วาระชานะปัจใจมีสี่วาระมัคคะปัจใจมีสี่วาระสัมำยุตตปัจจัยมีสองวาระ วิปยุตตปัจจัยมีสามวาระอธิปัจจัยมีเจดวาระนัตถิปัจจัยมีสี่วาระวิคตะปัจจัยมีสี่วาระอวิคตะปัจจัยมีเจดวาระอนุโลมจบ 2. ปัจนียุทธาระร้อเจสอสภาวธรรมที่เป็นโลกิยะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นโลกิยะโดยอารมณะปัจจัยสหชาตาปัจจัยอูปานิสยปัจจัย ปุเรชาตตปัจจัยปัจฉาชาตปัจจัยกรรมะปัจจัยอาหารปัจจัยและอินทรียปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นโลกีะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นโลกุตระโดยอุปาเนสยปัจจัยและปุเรชาตปัจจัยร้อสภาวธรรมที่เป็นโลกุตระเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นโลกุตระโดยอารมะณปัจจัยสัาชาตปัจจัยและอุปาเนสยปัจจัย สภาวธรรมที่เป็นโลกุตระเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นโลกียะโดยอารมณปัจจัยสหชาตตปัจจัยอุปานิสยปัจจัยและปัจฉาชาตาปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นโลกุตระเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นโลกียะและที่เป็นโลกุตระโดยสหชาตาปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นโลกียะและที่เป็นโลกุตระเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นโลกียะโดยสหชาตาปัจจัย ปัจฉาชาตปัจจัยอาหารปัจจัยและอินทรียปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นโลกียะและที่เป็นโลกุตระเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นโลกุตระโดยสหชาติปัจจัยและปุเรชาตปัจใจสองปัจยะปัจญิยะสองสังคยาวาระสุทไนร้อยจ็สสานเหตุปัจจัยมีเจ็ดวาระละถึง นาสมนันตระปัจจ an ัยมีเจดวาระนาจาชาตปัจจัยมีห้าวาระนอัญญมัญญปัจจัยมีห้าวาระนานิสียปัจจัยมีห้าวาระนาอุปาณิสียปัจจัยมีเจดวาระนาปุเรชาตปัจจัยมีหกวาระนาปชาชาตปัจจัยมีเจดวาระละถึงนามะขะปัจจัยมีเจดวาระนาสัมปยุตตปัจจัยมีห้าวาระนาวิปยุตตปัจจัยมีสี่วาระ โนอธิปัจใจมีสี่วาระโนนธิปัจจัยมีเจดวาระโนวิคตะปัจจัยมีเจดวาระโนวิคตะปัจใจมีสี่วาระปัจจนิยจบ 3. ปัจญานุโลมปัจจนิยะเหตุทุกกนในร้อยเจ็ดณอารมณะปัจจัยกับเหตุปัจใจมีสี่วาระและถึงณสมนันตระปัจใจมีสี่วาระ นอัญญมัญญปัจจัยมีสองวาระนอุปาณิสีตปัจใจมีสี่วาระละถึงนมะขาปัจใจมีสี่วาระนสัมปยุตตปัจจัยมีสองวาระณวิปยุตตปัจจัยมีสองวาระโนนัถิปัจใจมีสี่วาระโนวิคตะปัจใจมีสี่วาระอนุโลมปัจญิยะจบสี่ปัจญยะปัจญิยานุโลมนเหตโตทุกขนใน 175. อาอารมณะปัจจัยกัมณะเหตุปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจมีสี่วาระเพึงเพิ่มอนุโลมมาติกาอวิคตะปัจจัยมีเจดวาระปัจญจยานุโลมจบโลกียทุกกะจบ